กนิเคปะหนึ่งเหตุโคจกะหนึ่งเหตุทุกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเป็นฉนาเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยกฤตมีสามเหตุที่เป็นกลางวจรมีเก้าเหตุที่เป็นรูปาวจรมีหกเหตุที่เป็นอรูปาวจรมีหกเหตุที่เป็นโลกุตระมีหก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 อโทสะเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายกิยิรยาที่มีคิดประทุษร้ายภาวะที่มีคิดประทุษร้ายความมีไมตรีกิริรยาที่สนิทสนมภาวะที่สนิทสนมความเอนดูกิริรยาที่เอนดูภาวะที่เอนดูความสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลความสงสารความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะ โมหะเป็นไนความรู้ในทุกขความรู้ในทุกขลสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคตความรู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความรู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรร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 ปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราสากตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอมโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นกุศลสามบรรดาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้น เหตุที่เป็นอกุศลสามเป็นชนเหตุที่เป็นอกุศลสามคือโลภะโทสะและโมหะบรรดาเหตุที่เป็นอกุศลสามนั้นโลภะเป็นชนัยความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร้ความรักใคร้ ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คลาไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให่เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให่เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีไข่ธรรมชาติที่กล้ำชาบใจธรรมชาติที่ร้านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบ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 ธรรมชาติที่กระสิบยิ่งความกระซิบกริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความละโมบ ก, กิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติเป็นเหตุทรงสารไปภาวะที่ใกล้แต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานัก กามตัญหาภวะตัญหาวิภวตัญหารูปตัญหาอรูปตัญหานิโรธตัญหารูปตัญหาสัทธตัญหาคันธตัญหารัศตัญหาโภธภะตัญหาธรรมตัญหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวร์นิวร์เครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธฐาน ตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาและติดอยู่ในวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกทุกขสมุทยัยบวงแห่งมานเบ็ดแห่งมานวิสัยแห่งมานตันหาเหมือนแม่น้ำตันหาเหมือนข่ายตันหาเหมือนเชือกตันหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลมูลเือโลภะนิชื่อว่าโลภะโทษะเป็นไน ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียละถึงกำลังทำความเสื่อมเสียจากทำความเสื่อมเสียแกคนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้ได้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจากทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความประทบประท่างความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพลานไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ ความโกรธยิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายยิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกลี้ยกล่าดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะ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 ปริยุทธานคืออวิชาริมเค อ, อวิชาอากุศลมูลเคลโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอกุศลสามบรรดาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอภยากฤตศสามเป็นฉไนฮะโลพะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลหรืออโลภะอโทสะและอโมหะ ในสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกตะกริยา <an> <mez ion> สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอัพยกฤิษสามบรรดาเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นกามาวจรกล่าวเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยากฤิษมีสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นกลามาวจรกลาบรรดาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้น เหตุที่เป็นรูปาวจรหกเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยกริดมีสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นรูปาวจรหกบรรดาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอรูปาวจรหกเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยกฤตมีสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอรูปาวจรหกบรรดาเหตุเหล่านั้น เหตุที่เป็นโลกุตระหกเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยากฤิมีสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นโลกุตระหกบรรดาเหตุที่เป็นโลกุตระหกเหล่านั้นเหตุที่เป็นกุศลสามเป็นไนเหตุที่เป็นกุศลสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะบรรดาเหตุที่เป็นกุศลสามเหล่านั้นอโลภะเป็นไนความไม่โลภ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 นี้เรียกว่าอะโทสะมโมหะเป็นไนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคาคาไม่มีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคตความรู้ในส่วนอดีตและอนาคตความรู้ในปฏิจจสมุบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีปัญญายิริยาที่รู้ชัดความวิ จ, จัย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 เหตุท <tang s> ี่เ <Tamam> ป็นอพยากฤิศสามเป็นไนอโลพะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอพยากฤิศสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นโลกุตระหกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอักุศลและอัพยกริที่เหลือเว้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับนึ่งในงวัตะทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุ ส, สเหตุตุกตะทุกตะ สภาวะธรรมที่มีเหตุเป็นไนสภาวะธรรมที่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นไนสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุสเหตุสัมปยุตตะทุกกะ สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุเป็นไนสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากเหตุเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขัน์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธจากเหตุสี่ เหตุเสหตุกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นไนโลภะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและมีเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุ สภาวะธรรม ท, ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นฉะไหนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหเหตุตุเหตุสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นฉะไหนโลภะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโมหะ โมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพระโมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไ ม, ม่เป็นเหตุหกณเหตุจะเหตุทุกะทุกระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นชนสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ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 สจุลันตระทุกกะหนึ่งสัพปะเจยะทุกกะสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉขันห้าคือหนึ่งรูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉถ้าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวะธรรมนี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสองสังคตะทุกกะสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไนสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไนสภาวะธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสานิทัศนทุกกะ ส, ส, สภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นไน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 มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นไนเวทนาขันวิญญาณขัน์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปหโลคิยะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นโลคิยะเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากฤิ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกียะสภาวะธรรมที่เป็นโล ก, กุตระเป็นไนมร์ผลของมร์ที่ไม่นับหนึ่งเหนวะตะัตทุและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโล ก, กุตระเจเนจิวิญเยยะทุกะ สภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้เป็นไนสภาวะธรรมที่จักขวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่จักขวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่จักขวิญญาณรู้ได้แต่คานะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่จักขวิญญาณรู้ไม่ได้ สภาวะธรรมที่จักขวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่จักขวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่จักขวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวะธรรมที่ขานวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่กายยะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่กายยะวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้ สภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่จักขวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่จักขวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้ แต่ขานวิญญาณรู that that ้ไม่ได้สภาวะธรรมที่ขานวิญญาณรู้ได้แต่จักผูวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่จักผูวิญญาณรู้ได้แต่ขานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่ขานวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่ขานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่คิวหาวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวะธรรมที่ปรายวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขวาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่จักขววิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้ สภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่กายะวิญญาณรู้ได้แต่จักผูวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่จักผูวิญญาณรู้ได้แต่กายะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่กายะวิญญาณรู้ได้แต่โสตะวิญญาณรู้ไม่ได้ หรือสภาวะธรรมที <Where i S 2> realize, puedes, ่โสตะวิญญาณรู้ได้แต่กายะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่กายะวิญญาณรู้ได้แต่คานะวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่คานะวิญญาณรู้ได้แต่กายะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมที่กายะวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวะธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่กายะวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่า จิตบังดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้จุลันตระทุกกะจบสาอาสวะโคจกะหนึ่งอาสวะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเป็นไฉไหน อาสะวะสี่คือหนึ่งกรามาสะวะสองพวาสะวะสทิฏฐสะวะสอวิชชาสะวะบรรดาอาสะวะสี่นั้นกรามาสะวะเป็นไนความพอใจในกรามความกำหนัดในกรามความเพลิดเพลินในกรามตัณหาในกรามสิเนหาในกรามความเร่าร้อนเพราะกรามความลุ่มหลงในกรามความหมกมุ่นในกรามในกรามทั้งหลาย นี้เรียกว่ากามาสวะภาวาสวะเป็นไนะความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพสีเนหาในภพความเร่าร้อนเพราะภพความลุ่มหลงในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภาวาสวะทิฏฐาสวะเป็นไนะความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด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 ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฐิความผันแปรแห่งทิฐิสังโยชน์เคือทิฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปัาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐาวะมิจฉาทิฐิแม่ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐาวะ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 ปริยุดฐานคืออวิชาลิ่มคฝออวิชาอากุศลละโมณเฝอโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอวิชาสวะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นอาสวะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นชนหนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอากุศลและอภยากฤที่เหลือซึ่งเป็นคามมาวจรรูปาวจรอรูปาวจร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 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นกรรมวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาจวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสอาสวะสัมปยุตตะทุกกะสภาวะที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไนสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นไน สภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะ 4. อาสวะสาสวะทุกขะสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไฉนสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นฉไนสภาวะธรรมเป็นอารมณ yeah, ์ของอาสวะเว้นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิญากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกลางาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านีาน้ชื่สสสสส ok. ハハ anyway. อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ าอาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกขะสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุต <gy> ด <ar> ้วยอาสวะเป็นไนกามาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะกามาสวะพวารสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะ อวิชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะภาวะสวะทิฐาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะอวิชาสวะอวิชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเพราะทิฐาสวะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไง เวนสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 6. อาสวะวิปยุตต์สาสวะทุกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะ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 ผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัตทุและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุย์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจกะจบปถมพาณวาระในนิเคปกันจบ สสัญโยชนะโคชกะ 1. สัญโยชนะทุกะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นชนัสังโยชน์สิบคือ 1. รามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิชาสังโยชน์หสีลปตะปรามาสสังโยชน์เจ็พระวรคะสังโยชน์ แปดอิสาสังโยชน์เมัชยริยะสังโยชน์สิอวิชชาสังโยชน์บรรดาสังโยชน์สิบนั้นกรรมราคะสังโยชน์เป็นไนความพอใจในกรรมความกำหนัดในกรรมความเพลิดเพลินในกรรมตัณหาในกรรมสิเนหาในกรนนกรมความเร่าร้อนเพราะการรมความลุ่มหลงในกรรมความหมกมุ่นในกรรมในกรรมทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมราคะสังโยชน์ ปฏิ่าสังโยชน์เป็นไนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทาความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กาลังทำความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียและถึงกาลังทาความเสื่อมเสียจะทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเจริญกำลังทําความเจริญจกทําความเจริญแต่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระท่งความแคลนความเขืองความขุ่นเคืองความพลานไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิต ธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิด ป, ประทุษร้ายภาวะที่คิด ป, ประทุษร้ายความคิด ป, ป, ป, ปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกลี้ยกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ปฏิะสังโยชน์ m a สังโยชน์เป็นฉไฉนความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขาความถือตัวคิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความยกตนความอวดตนความเชิดชูตนดุจธงความยกตนขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้ชื่อว่ามานะสังโยชน์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 ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิปันดานเคยทิฏฐิความเห็นเป็นฆาสศกตต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยคเคทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าทิฏฐิสังโยชน์เว้นศีและปตะป r า m า ş ส, สังโยชน์แล้วความเห็นผิดแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์เป็นไนปุตุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอานาคตในส่วนอดีตและส่วนอานาคตในปฏิจจสมุบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี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 ความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลพตาปรามา ส, สร า, า, ร า, าสังโยชน์ภาวะราคะสังโยชน์เป็นไนความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพสิเนหาในภพ ความเร่าร้อนเพราะพบความลุ่มหลงในพบความหมกมุ่นในพบในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะราคะสังโยชนอิสาสังโยชน์เป็นไนความริษยาดุริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความกิดกันดิริยาที่กิดกันภาวะที่ขีดกันในลาบสักกะระความเคารพนับถือไหว้และบูชาของคนอื่น นี้ชื่อว่าอิสาสังโยน์มัจฉริยะสังโยต์เป็นไงมัจฉริยะห้าคือหนึ่งอาวาสาัมัจฉริยะตรณีที่อยู่สองกุลมัจฉริยะตรณีตระกูลสามลาภามัจฉริยะตรณีลาภสวันณัมัจฉริยะตรณีวันณนะหธรรมมัจฉริยะตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณี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 ความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุท ธ, ธานคืออวิชชาลิมคืออวิชชาอากุศลรมูลคือโมหะน้เรียกว่าอวิชชาสังโยชน์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกริที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน